วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเนื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติวันตัดสุและวันเสด็จดับขันธ์ะปรินิพานของพระ อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาผู้ประเสริฐผู้มีพระคุณอันประเสริฐต่อสัตว์โลกเป็นผู้ตัดสั้นรู้ทำอันประเสริฐที่พาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดวันนี้เราชาวพุทธจึงมาล้ำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐถึงความเป็นไปความเป็นมา ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ทรงประสูตริหรือเกิดในในวันนี้เมื่อสองพันหร้อยสี่สบสี่สิบแปดปีมาแล้วตัวเลขสองพันหกร้อยสี่สิบแปดก็มาจากแปดสิบบวกสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเพราะว่าพุทธศักราชนี้นับจากวันที่พทธเจ้า เสด็จดับขันบาลานิพานไปงั้นถ้าย้อนกลับไปอีแปดสิบปีก็เป็นวันเกิดวันประสูติของพระพุทธเจ้า mm hmm. พระพุทธเจ้าทรงประสูติเป็นพระราชโอรสของพระหมหากษัตริย์ mm hmm. เป็นผู้มีบาราีเมื่อเสด็จเมื่อประสูติมาแล้วพระราชบิดาก็ได้ทรงเชิญโหัวราชาัน มาดูดวงของเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรก็มีโหราจาร์หลายรูปด้วยกันก็มีความเห็นอยู่สองทางด้วยกันคือถ้าอยู่ครองราชก็จะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิถ้าเสด็จออกบวชก็จะได้เป็นพระวรมศาสดาของโลก มีอยู่พระโหราจารย์อยู่รูปเดียวที่มีความเห็นแย้งว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือจะต้องเสด็จออกบวชเป็นพระบรมศาสดาต่อไปเมื่อทรงทราบถึงอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วพระราชมิดาก็ไม่ต้องการที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชอยากให้อยู่ครองราชเป็นพระมหาจักรพรรดิจึงพยายาม หร้อมร้อมความสุขต่างๆให้กับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเพราะไม่ต้องการให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถมีความรู้สึกทุกข์ใจเพราะกลัวว่าเมื่อเกิดความทุกข์ใจแล้วก็จะคิดออกบวชเพื่อไปหาวิธีดับทุกข์นั่นเองจึงทรงสร้างปราสาทสามฤ ด, ดูเอาใจให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ได้อยู่อย่างสุขสบายและมีบริวารห้อมล้อมคอยรับใช้ตอบสนองความสุขต่างๆของทางโลกทางรูปเสียงกิจนถผลตภะชนิดต่างๆและสรงห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตาย แต่เนื่องจากแล้วก็ส่งห้ามไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะออกไปเที่ยวนอกพระราชวังโดยไม่มีการเตรียมการไว้ก่อนถ้ามีการออกไปก็จะมีการเตรียมการคอยจัดฉากคอยป้องกันไม่ให้มีคนแก่คนเจ็บคนตายโผล่ออกมาให้เจ้าชายสิทธัตถะได้เห็นแต่ความอยากรู้อยากเห็นความเป็นไปแบบที่ไม่ได้จัดฉากว่าเป็นอย่างไร ก็เลยทรงทรงทรงขโมยหรือทรงหนีออกจากวังออกไปเที่ยวลักลอบออกไปเที่ยวกับมหาเล็กพอออกไปเที่ยวเดินโดยที่ไม่มีการจัดฉากก็ได้เห็นสิ่งแรกก็คือเห็นคนคนแก่เดินหนังคอมถือไม้เท้าเดินมาซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยถามมหาเล็กว่า คนนี้เป็นไทยเขาถึงเป็นอย่างนี้ก็ได้คําตอบว่าคนนี้เขาเป็นเหมือนพวกเรานี้แต่ต่อแต่พอเขามีอายุมากขึ้นมากขึ้นเขาก็จะมีความแก่เกิดขึ้นกับร่างกายของเขาร่างกายที่เคยแข็งแรงเคยเดินเคยยืนอย่างได้ตัวตรงก็เกิดอาการหลังค่อมขึ้นมาไม่มีเรี่ยวมีแรงต้องถือไม้เท้าคอยประครับประคอง ร่างกายของเจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันต่อไปก็จะต้องเป็นคนแก่คนชราพอได้ยินว่าต่อไปในตัวเองจะต้องเป็นคนแก่คนชราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ก็ทรงเดินต่อไปเดินชมเดินเที่ยวต่อไป ก็ไปเห็นคนนอนร้องโอดโควนคางอยู่หน้าบ้านนอนอยู่บนเตียงก็ถามว่าคนนี้เขาเป็นอะไรคนนี้เขาก็เป็นเหมือนพวกเราเขาเป็นคนธรรมดามีร่างกายเหมือนพวกเราแต่เขาตอนนี้เขามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคทำให้เขาเกิดความทุกข์ทรมานทางร่างกายจนถึงจนถึงกับต้องร้องโอดควควนคางขึ้นมา ต่อไปพระองค์ก็จะต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันพ mm hmm. อได้รับคำตอบว่าต่อไปพระองค์จะต้องเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกัน mm hmm. ก็ยิ่งเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใหญ่ mm hmm. เป็นทุกข์กาลังสองแล้วต่อจากนั้นก็เดินไประยะหนึ่ง mm hmm. ก็ไปเห็นขบวนแห่ศพมีการแบบแหบ่ศพแหาคนตายเพื่อที่จะเอาไปทำการชาปนากิจ mm hmm. ก็ถามว่าเขากาลังทาอะไรอยู่ ก็ได้คำตอบว่าเขากำลังพาคนตายซึ่งเมื่อก่อนเขาก็เป็นคนเป็นเหมือนพวกเราแต่ร่างกายในที่สุดก็ต้องถึงแก่ความตายเป็นธรรมดาเมืม่อตายแล้วก็ต้องเอาไปกาจัดเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะเน่าเหม็นจะส่งกลิ่นเหม็นจะมีลูกล่ามลูกล่างหน้าตาที่ไม่น่าดูน่าชมก็เลยต้องมีการเอาไปกาจัด ต่อไปพระองค์ก็จะต้องเป็นอย่างนี้เช่นกันพอได้ยินว่าต่อไปพระองค์ก็จะต้องตายยิ่งเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอย่างยิ่งก็ลเลยไม่มีความอยากที่จะเที่ยวต่อไปก็ลเลยเดินทางกลับเข้าวางังระหว่างทางก็ได้เห็นนักบวชเดินผ่านมาก็าถามว่าชายคนนี้เขาทาอะไรเขาถึงแต่งกายแบบนี้ เขาได้คำตอบ ว, ว่าเขาเป็นนักบวชเขาเป็นพวกที่จะไปหาวิธีที่จะทําให้เขาไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายพอได้ยินว่ามีมีคนมีวิธีที่จะทําให้ไม่ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายก็เลยมีความรู้สึกดีใจขึ้นมามีความปรารถนาที่อยากจะออกบวชต่อไปในอนาคต หลังจากนั้นก็พระองค์ก็ทรงทรงค่ากรุทรงพิจารณาอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายจนที่ไม่มีความคิดที่อยากจะอยู่ในวังต่อไปเพียงแต่จะรอหาจังหวะว่าจะไปได้เมื่อไหร่ก็มีเวลาคืนหนึ่งที่พระมเหสีของเจ้าชายสิทธัตถะได้คอดพระโอรสออกมาเมื่อได้ มเมื่อมีคนมาส่งข่าวบอกให้ทราบพ่อองค์ก็ทรงอุทานคําว่าราหุนราหุนแปลว่าบวงได้เกิดขึ้นแล้วบ่วงที่จะมัดใจของเจ้าชายสิทธัตถะให้อยู่ในวังต่อไปถ้าไม่ต้องการที่จะอยู่ในวังถ้าอยากจะออกจากวังก็ต้องออกไปในคืนนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะหนีออกจากวังไปเพราะว่าถ้าบอกให้ใครรู้ ก็จะไม่สามารถที่จะออกไปได้เพราะไม่มีใครจะอนุญาตหรือต้องการให้ไปดังนั้นจึงต้องไปแบบไม่บอกใครไปอย่างเงียบๆไปในยามดึกมีมหาเล็กไปส่งที่ชายแดนพอไปถึงชายแดนแล้วมหาเล็กก็เอาม้ากลับวงังส่วนโล่งก็เดินไปเพื่อไปหาที่โบวชหาครูบาอาจารย์ ศึกษาวิธีที่จะทําให้จิตใจไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ได้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆหลายรูป ก, ก็ได้เรียนรู้วิธีที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้แบบชั่วคราวคือการทําใจให้นิ่งให้สงบให้เข้าสมาธิเวลาใจนิ่งสงบเข้าสมาธิ ใจก็จะลืมเรื่องความแก่ความเจ็บความตายไปชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะหายไปชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่หลังจากออกมาจากสมาธิแล้วพอเริ่มคิดหรือเริ่มเห็นความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ของใจก็กลับคืนมาอีก ไม่มีใครรู้ว่าทําอย่างไรจึงจะทําให้ใจไม่ทุกข์เหมือนกับขณะที่อยู่ในสมาธิได้เวลาทุกข์ใจเกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องเข้าสมาธิไปแต่เข้าสมาธิก็เข้าได้ชั่วระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็ต้องออกมาเพราะมีร่างกายที่ต้องคอยดูแลเลี้ยงดูพอออกมาเห็นร่างกายคิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย ความทุกข์ใจก็กลับคืนขึ้นมาอีกไม่มีใครรู้ว่าจะทำอย่างไรให้ความทุกข์ใจหายไปเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิไปศึกษากับครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ไม่มีใครรู้รู้เพียงแต่วิธีเข้าสมาธิเข้าฌานเพื่อทำใจให้สงบแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเมื่อไม่มีใครรู้วิธีก็เลยส่งไปคน้นคว้าทดลอง วิธีต่างๆจนในที่สุดก็ทรงค้นพบสาเหตุของความทุกข์ใจก็เกิดจากความอยากของใจเองสามประการด้วยกันความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดตะพาเรียกว่าการมตัญหาถ้ามีความอยากนี้ก็อยากจะให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ไม่แก่ไม่ตายถ้าร่างกายแก่เจ็บ หรือตายขึ้นมาใจก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะความไม่อยากให้ร่างกายแก่เจ็บตายนั่นเองแล้วก็ความอยากชนิดที่สองก็คือภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากมีความสุขอยากให้ร่างกายแข็งสมบูรณ์แข็งแรงอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตเพืจะได้สามารถมีความสามารถที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้อย่างเต็มที่ อันนี้เวลาอยากถ้าไม่อยากแล้วไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอยากรวยแล้วไม่รวยก็จะทุกข์ใจอยากเป็นใหญ่เป็นโตแล้วไม่ได้เป็นก็จะทุกข์ใจความอยากชนิดที่สามก็คือวิภาวาตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เวลาเกิดความอยากเกิดความแก่แล้วอยากไม่แก่ก็ใจก็จะทุกข์ขึ้นมา เวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วใจไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็จะทุกข์ขึ้นมาเวลาจะตายใจก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าเกิดความอยากไม่อยากตายขึ้นมาถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้หยุดความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะห้ามความความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่ได้ ร่างกายขอ ง, ของคนทุกคนไนมะ่ว่าจะสูงจะต่ำจะรวยหรือจะจนในที่สุดก็จะต้องถึงแก่ความตายด้วยกันทุกคนถ้าอยากให้ไม่ตายก็จะทุกข์แต่ถ้ายอมรับความจริงยอมตายยอมให้มันตายใจก็จะหายทุกข์และวิธีที่จะทำให้ใจหยุดความอยากหล่านี้ได้ก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือคือการปฏิบัติควบคุมใจเพื่อให้หยุดความอยากต่างๆให้ได้ เครื่องมือนี้พระเจา้าก็ส่งคนพบว่าการการปฏิบัติสามขั้นตอนด้วยกันคือการทำทานการรักษาศีล<ม>การภาวนา<ม>การปฏิบัติทั้งสามขั้นตอนนี้จะลดความอยากตามลําดับจนกระทั่งตัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้<ม>ถ้าใครอยากจะไม่ต้องมาทุกขกับ การเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาทุกกับการเวียนว่ายตายเกิดก็ให้ปฏิบัติทานศีลภาวนาทำบุญทำทานรักษาศีลแล้วก็บำเพ็ญจิตภาวนาคือการปฏิบัติทำจิตมีสองขั้นตอนด้วยกันคือส ม, มถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาส ม, มถาภาวนาคือการทำจิตใจให้นิ่งให้สงบคือการเข้าสมาธิเข้าฌาน แล้วพอได้สมาธิได้ฌานได้อุเบกขาจากฌานแล้วก็สามารถจะเอามาสนับสนุนการเจริญปัญญาให้พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นไปไม่ได้ร่างกายนี้ไม่มีตัวตนไม่ได้เป็นของของใครร่างกายนี้เป็นของธรรมชาติธรรมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟ ไม่มีใครสามารถสั่งหรือห้ามไม่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ทุกร่างกายทุกร่างกายเมื่อมาเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้าสามารถปฏิบัติทำทั้งสามข้อนี้ได้ใจก็จะสามารถระ ง, งับดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจได้เพราะความทุกข์ของใจนี้เกิดจากปัญหาความอยาก อยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสเวลาอยากเสบล้วไม่ได้เสบก็จะทุกข์เช่นเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาจะตายนี้จะหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็จะยากเมื่อเกิดไม่สามารถหาความสุขได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจเศร้าใจถ้าไม่ได้เสบนานๆาเข้าก็จะเกิดความซึมอาการซึมเศร้าขึ้นมาได้แต่ถ้าสามารถระงับความอยากได้ด้วยการปฏิบัติ ด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาทําจิตใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมาภายในใจ mm hmm. พอใจได้รับความสุขจากความสงบความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็สามารถระ ง, งับมันได้อยู่มันได้พอหยุดหยุดหรือระงับความอยากได้ mm hmm. ความทุกข์ใจก็จะหายไป mm hmm. คนที่เข้าสมาธิได้เวลาที่ แกหรือเวลาที่เจ็บหรือเวลาที่จะตายนี้ก็สามารถที่จะระ ง, งับความทุกข์ใจได้ด้วยการทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิแล้วถ้าสามารถปฏิบัติขั้นปัญญาได้คืออยาเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่มีใครสามารถที่มายับยัง้งมาห้ามมันได้ ถ้าไปฝืนถ้าไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์เกิดความทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้ายอมรับความจริงไ ด, ได้เห็นความจริงแล้วยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็พยายามสอนใจให้ยอมรับความจริงเวลาร่างกายแก่ก็ให้ยินดีกับความแก่เ <anks? S 1> วาลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้ยินดีกับความเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาร่างกายจะตายก็ให้ยินดีกับความความตายถ้าทำใจพลิกใจจากความยอยาไม่อยากให้เป็นความอยากตายได้อยากแก่ได้อยากเจ็บได้ความทุกข์ใจก็จะไม่มีอันนี้คือวิธีการดับความทุกข์และเป็นวิธีการที่จะยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆด้วยเพราะเมื่อในใจไม่มีความอยากที่จะหาความสุข อากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะไม่มีความอยากที่จะต้องใช้ร่างกายก็จะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกลับมาเกิดสาเหตุที่ยังมีการกลับมาเกิดอยู่ก็เพราะว่ายังมีความอยากที่จะหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆการที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆได้ก็จําเป็นที่จะต้องจําเป็นที่จะต้องมีร่างกาย เมื่อมีเมื่อมีความอยากจะเสพความสุขทางตาหูจ๊ทางรูปเสียงกดลดิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายการจะมีตาหูจมูกนิ้นกายก็ต้องมีร่างกายก็ต้องก็ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยแต่ถ้าสามารถเลิกเสพ ร, รูปเสียงกดลิ่นรสผดผาดได้เพราะสามารถมีความสุขจากการทำใจให้นิ่งให้สงบได้ด้วยปัญญาด้วยสมาธิ ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายต่อไปสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้เพียงแต่ต้องหยุดความอยากต่างๆที่มาสร้างความทุกข์สร้างความไม่สงบสร้างความไม่สุขให้กับใจเท่านั้นเองพอรู้ว่าเหตุที่ทําให้ใจไม่สุขทําให้เหตุที่ทําให้ใจต้องไปหาความสุขจากสิ่งอื่นๆหาความสุขจากลาบยศเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสนี้เกิดจากความ ความอยากของใจเพราะใจไม่สงบพอทำใจให้สงบได้ก็สามารถระงับความอยากที่จะไปหาความสุขจากลาบยศจัรรเสริญจากรูปเสียงจิตลดโผฏฐาได้เมื่อระงับความอยากได้การที่จะกลับมาเกิดก็จะไม่มีต่อไปอ น, นี่คือการตัดสลุของพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนหกเช่นวันนี้สามสิบห้าปีหลังจากที่ได้ประสูติือ ตัดสลุนในอายุ35ปีทรงออกบวชอายุ29ปีด้วยกันและทรงปฏิบัติธรรมอยู่อยู่6ปีด้วยกันจนในที่สุดก็ได้ค้นพบสัจธรรมความจริงตัดสั้พระอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธนมรรครู้ว่าความจริงว่าทุกคนที่มาเกิดจะต้องเจอกับความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตาย และสาเหตุที่ทำให้มาเกิดทําให้มาทุกข์ก็คือตัณหาความอยากทั้งสามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าอยากให้ความทุกข์หายไปก็ต้องละกามาตัญหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาและการจะละภาวตัณหาการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้ก็ต้องมีมรรคก็ต้องมีการปฏิบัติทานศีลภาวนา ถ้าสามารถปฏิบัติทานสิ่งภาวนาได้ทำบุญทำทานสลระทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ใช้เงินทองไปในการหาความสุขต่างๆในโลกนี้เอาเงินทองนี้ที่มีอยู่นี้เก็บไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นคือเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นนอกจากนั้นก็จะไม่เอาไปใช้กับการหาความสุขจากรูปเสียงกิน่นรสเพราะเป็นการส่งเสริมการมาตัญหาให้มีมากขึ้นแล้วก็จะสร้างความทุกข์ ให้กับใจมากขึ้นต้องตัดการใช้เงินทองเพื่อที่จะไปซื้อความสุขต่างๆเอาเงินทองที่จะไปซื้อความสุขต่างๆไปทำบุญทำทานแทนแล้วต่อไปก็จะสามารถรักษาศีลห้าได้อยากศีลห้กาก็สามารถรักษาศีลแปดรักษาศีลแปดได้ก็จะไปปีกวเวกไปปฏิบัติธรรมอยู่ตามทํานักปฏิบัติสถานที่สงบสงัดเพื่อจะเริญส ม, มะถะภาวนา ทำจิตใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้มีอุเบกขาให้มีความสุขที่เหนือกับความสุขทั้งปวงเพื่อที่จะได้เลิกเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็จเจริญปัญญาให้เห็นโทษของการมีความอยากต่างๆว่าเป็นตัวที่มาพาให้จิตใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต้องมาทุกกับสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆอเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นของชั่วคราว ไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขชั่วคราวเวลามันเปลี่ยนไปหมดไปความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆก็หายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องเลิกเสพต้องเลิกเลิกเสพความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไปให้หมดพอละความอยากที่จะเสพความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้แล้วใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมา ใจก็จะเป็นใจที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปใจที่ไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็เรียกว่านิพพานนิพพานใจเป็นใจที่เต็มไปด้วยบร ม, มสุขเพราะเป็นใจที่สงบตลอดเวลาเหตุตัวที่มาทําให้ใจไม่สงบตัวที่มาทําให้ใจวุ่นวายก็คือความอยากต่างๆซึ่งเมื่อ พิจารณาด้วยปัญญาแล้วเห็นว่าความอยากต่างๆเป็นโทษก็ละความอยากทั้งหลายให้หมดไปเวลาเกิดความอยากจะทำอะไรก็ไม่ทำอยากจะดูอะไรก็ไม่ดูอยากจะฟังอะไรก็ไม่ฟังอยากจะกินอยากจะดื่มอะไรที่ไม่ถึงเวลาก็ไม่ไม่กินไม่ดื่มไม่เสพสุขทั้งหลายกำจัดความอยากให้หมดไปพอความอยากหมดไปแล้วใจที่เคยวุ่นวายใจที่เคยหิวโหยก็จะกลับกลายเป็นใจที่อิ่มใจที่สงบ ใจที่มีความพอขึ้นมาอันนี้แหละคือนิพพานความสุขของใจที่เกิดจากการได้กำจัดความอยากต่างๆความอยากทั้งสามคือการมาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจพอไม่มีตัณหาหมดสิ้นไปจากใจใจก็จะตั้งอยู่ในความสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิไม่ต้องเข้าฌานเพียงแต่อยู่เฉยๆท่านเองใจก็มีความสุขตลอดเวลา ดีกว่าการเข้าฌานเข้าสมาธิพอเข้าไปก็เข้าไปได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องออกมาพอออกมาสมาธินี้ไม่ได้เป็นการไม่ได้ไปกำจัดความอยากต่างๆเพียงแต่กดความอยากไว้เวลาเข้าสมาธิพอออกจากสมาธิมาความอยากที่ถูกกดไว้ด้วยกำลังของสมาธิก็จะออกมาสร้างความหิวโหยสร้างความวุ่นวายให้กับใจแต่ถ้ามีปัญญารู้ว่าตัวที่เป็นปัญหาตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจก็คือความอยาก ก็ต้องไม่ทําตามความอยากเวลาเกิดความอยากก็หยุดมันด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าความอยากนี้จะพาไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่พาไปสู่ความสุขเพราะความสุขที่ได้จากความอยากเป็นความสุขแบบชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหมดไปเปลี่ยนไปอพอเห็นด้วยปัญญาแล้วต่อไปก็จะไม่กล้าอยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นแล้ว อยากจะให้ใจอยู่นิ่งๆเฉยๆโดยปราศจากความอยากเพียงอย่างเดียวเ ม, มารับความอยากทั้งหมดได้แล้วใจก็จะสงบตลอดเวลาเหมือนกับเข้าสมาธิตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเพราะตัวที่มาสร้างความไม่สงบคือความอยากนั้นได้ถูกกำจัดด้วยปัญญาและสนับสนุนด้วยกำลังของสมาธิถ้ายังไม่มีสมาธิถึงเมื่อจะรู้ว่าความอยากเป็นตัวสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับใจ ใจก็จะไม่มีกําลังหยุดความอยากได้ต้องสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนเพราะสมาธินี้จะมีกําลังที่จะทําให้ใจหยุดความอยากได้เพียงแต่ว่าสมาธิไม่รู้เท่านั้นว่าความอยากเป็นตัวปัญหาต้องอาศัยปัญญาเป็นผู้สอนผู้บอกเวลาเกิดความอยากปัญญาก็จะบอกอย่าทําตามความอยากอยู่เฉยๆอย่าไปทําตามความอยากแล้วความอยากมันก็จะหมดไป อันนี้คือการตัดสัตวของพระพุทธเจ้าตอนที่อายุครบสาสปีตอนนั้นใจของพระพุทธเจ้าก็เข้าสู่พระ น, นิพพานไปแล้วถึงนิพพานแล้วหลังจากนั้นอีกสี่สปีด้วยกันพระองค์ก็ทรงใช้เวลาที่เหลืออยู่มาโปรดสัตว์ด้วยการประกาศพระพุทธศาสนาประกาศพระธรรมคาสอนสอนสัตว์โลกให้ให้เห็นให้เข้าถึงอริยสัจสี่ให้เข้าถึงมรรคผลนิพพาน ด้วยการปฏิบัติทางศีลภาวนาไปจนถึงอายุแปดสิปีก็เข้าสู่สู่วัยสู่การสิ้นปะชนคือเข้าสู่ความตายพออายุครบแปดสิบปีพระพุทธเจ้าก็ต้องละสังขารไปเพราะร่างกายของพระพุทธเจ้าก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันร่างกายของพระพุทธเจ้าของของพวกเรานี้เหมือนกันต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันพออายุแปดสิบปีร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ต้อง สิ้นสุดลงเราไม่นิยมเรียกคําเวลาคนตายเวลาพระพุทธเจ้าตายเราไม่เราไม่นิยมที่ใช้คําว่าตายเราใช้คําว่านิพานแทนแต่คําว่านิพานนี้ไม่ได้หมายคำว่าท่านบรรลุถึงพระนิพานตอนอายุแปดสิบปีท่านบรรลุถึงนิพานตั้งแต่อายุสามสิบห้าปีแล้วใจท่านเป็นนิพานตั้งแต่อายุสามสิบห้าปีแต่เวลาพระพุทธเจ้าหรือพระหลานตายนี้เรามักจะใช้คําว่านิพานว่า แทนคำว่าตายเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านเข้าท่านไปบรรลุนิพพานตอนที่ท่านตายท่านตายท่านบรรลุนิพพานตั้งแต่ท่านยังไม่ตายตอนที่ท่านตายนี่เปนคําว่านิพพานนี้เป็นเพียงแต่คําที่เราใช้แทนคําว่าตายเท่านั้นเองนี่คือเรื่องของเราของพระพุทธเจ้าของพวกเราที่มาตัดมาพิสูตนมา มาตัดสล้และมาจากจากพวกเราไปหลังจากที่อายุครบแปดสิบปีมาทำคุณทำประโยชน์ด้วยการเจริญด้วยการแสดงธรรมสั่งสอนสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็นจำนวนมากมีพระานันตสาวคของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ก็ยังมีปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็นคําสอนที่สามารถทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้ผู้ใดสามารถศึกษาและเข้าใจและนํามาไปปฏิบัติได้ก็จะสามารถทําให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องทุกกับอะไรอต่อไปไม่ต้องทุกกับความแก่ไม่ต้องทุกกับความเจ็บไม่ต้องทุกกับความตายไม่ต้องทุกกับการพลาดจากกันนี่คือพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ที่พวกเราชาวพุทธมาลำลึกถึงกันในวันนี้และจะมีการแสดงความกตัญญูด้วยการกระทาการบูชาต่อพระพุทธเจ้าซึ่งการบูชาพระพุทธเจ้านี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรกเราเรียกว่าอามิสบูชาคือทำบุญด้วยการบูชาด้วยการถวายข้าวของเงินทองสินขอาคำนูนบารุงพระพุทธศาสนา คือทำทำบุญทาทานและรักษาศีลห้าส่วนระดับที่สองเราเรียกว่าปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติจิตใจของเราด้วยการเจริญ <c oughs> สมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเพื่อทำจิตใจของเราให้สงบทำให้จิตใจของเราให้เกิดปัญญาให้เห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นไตรลักษณ์เพื่อเราจะได้ละความอยากต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไป <c oughs> การบูชาทั้งสองแบบนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าการบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชานี้เป็นการบูชาที่เลิศที่สุดเพราะจะยังประโยชน์ให้สูงสุดเกิดให้ผู้ที่ผู้ที่กระทําการปฏิบัติบูชาได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานนั่นเองถ้าทําเพียงแต่อามิตบูชาก็จะได้แค่สวรรค์ชั้นต่างๆเท่ า, านั้นเองอ น, นี่ก็คือสิ่งที่พวกเราชาวพุทธจะมากระทํากันในวันนี้ตามกําลังของแต่ละคน ใครทำอามิสบูชาได้ก็ทำไปใครทำปฏิบัติบูชาก็ทำไปเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู ท, ที่ที่พระพุทธเจ้ามีส่งมีพระคุณต่อต่อพวกเราทั้งหลายส่งสละอุทิศเวลาตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันแสดงธรรมสั่งสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายได้หยุดพน้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด พวกเราทุกคนนี้ก็สามารถยังสามารถปฏิบัติและสามารถหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเรามีการกระทําเบื้องต้นก็ทําด้วยอมิตธบูชาแล้วต่อไปก็ขยับขึ้นไปเป็นปฏิบัติบูบชาเมื่อเราได้ปฏิบัติบูบชาแล้ว <c oughs> การบรรลุมรรคผลนิพพานการหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด <c oughs> ก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอนอันนี้คือเรื่องราวของ วันวิสาขาบูชาที่เอามาแสดงเอามาฝากท่านในวันนี้การแสดงสำหรับช่วงนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเพราะเดี๋ยวนี้เราจะแบ่งการแสดงธรรมไว้เป็นสองช่วงช่วงแรกก็จะมีการแสดงธรรมแล้วช่วงที่สองก็จะมีการปฏิบัติธรรมก็มีการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบดับงนั้นต่อไปนี้เราก็จะมาทาการปฏบิบัติบูชาด้วยการนั่งสมาธิ การนั่งสมาธินี้จะต้องนั่งด้วยการมีสติถึงจะถึงจะเป็นเรียกว่าเป็นการนั่งสมาธิถ้านั่งเฉยๆโดยไม่มีสติคอยควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐาน mm hmm. กรรมฐานคืออารมณ์ที่เราจะใช้ผูกใจไว้ไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดไม่ให้ใจลอยไปกับความอยากต่างๆเราเวลานั่งสมาธิต้องมีสติกำกับใจให้อยู่กับกรรมฐาน กรรมฐานที่เราใช้กันเป็นส่วนใหญ่ก็เรียกว่าพุทธานุสติก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าถ้าเราเราชอบกรรมบริกรรมพุทโธเราก็ใช้คําบริกรรมพุทโธเป็นอารมณ์ควบคุมใจถ้าเราอยู่กับพุทโธไปเดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบได้ถ้าเราชอบดูลมหายใจ อันนี้ก็เป็นอาณาปานสติเป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ดูลมหายใจที่ปลายจมูกก็ได้หรือดูดูลมที่หน้าท้องก็ได้เวลาลมเข้าท้องก็จะพองเวลาลมออกท้องก็จะยุบนี่เป็นที่มาของคําว่ายุบหนอพองหนอ่อเวลาหายใจเข้าไปท้องก็พองขึ้นมาเวลาหายใจออกพองท้องก็ยุบลงไปอันนี้ก็เรียกว่ายุบหนอพองหนอก็เป็นอาณาปานสติแต่ดูที่ท้อง แต่ถ้าตามหลักของอนาปานสติท้าให้ดูที่ปลายจมูกดูที่ลมสัมผัสเข้าออกที่ปลายจมูกให้ดูเฉยๆไม่ต้องไปบังทับลมดูลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็รู้ว่าหายไปให้รู้เฉยๆอย่าเปลี่ยนที่ให้รู้อยู่ที่จุดเดียวถ้าไม่เปลี่ยนที่แล้วรู้อยู่เฉยๆ พอลมหายไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบต่อไปไม่ต้องตื่นเต้นตกใจไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าจะไม่มีลมนวเราจะตายหรือเปล่าไม่มีใครตายจากการนั่งสมาธิดูลมหายใจมีแต่จะเข้าสู่ความสงบนั่งถ้าดูลมไม่ได้ยังบริกรรมพุโทโธไม่ได้ก็ใช้คัการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้เช่นจะสวดบทอิติปิโสไปแล้วสวดไปเรื่อยๆสวดไปหลายๆรอบ สวยไปจนกล้าใจจะนิ่งจะเย็นจะสบายแล้วจะมาลองดูลมต่อก็ได้หรือถ้าไม่ไม่ดูลมนั่งเฉยๆโดยที่ใจไม่ลอยไปลอยมาก็อยู่กับใจที่นิ่งสงบอย่างนั้นไปก็ได้แสดงว่าใจเราเข้าถึงสมาธิแล้วในระดับหนึ่งอันนี้คือวิธีการที่เราจะทำใจของเราให้นิ่งให้สงบเพื่อเราจะได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัติสันติบาลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกับความสงบไม่มีจิตจะสงบได้จิตจะต้องมีสติมีกรรมฐาน จ, จิตจะต้องมีสติอยู่กับกรรมฐานอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับคําบริกรรมพุทธโธหรือบางท่านจะใช้ทั้งสองอย่างควบควบู่กันก็ได้เช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได้ แล้วแต่จะสะดวกแล้วแต่จะถนัดชอบแบบไหนก็สามารถทำได้แต่ข้อสำคัญอย่าอย่านั่งเฉยๆต้องมีอะไรให้ทำแล้วถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจถ้ามีภาพมีเสียงมีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจขณะที่นั่งสมาธิก็อย่าไปตามรู้ให้ดึงใจกลับมาอยู่ที่ลมหายใจหรืออยู่ที่พุโทโธเราใช้อะไรเรากลับมาหาสิ่งนั้นกลับมาหากรมฐานเป็นเครื่องผูกใจ ถ้าเราตามสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาใจเราก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นอย่าไปสนใจจะเป็นเสียงเป็นกลิ่นหรือเป็นอะไรก็ตามเป็นเสียงที่เกิดขึ้นภายในหรือภายนอกก็ตามเป็นรูปที่เกิดขึ้นภายในก็ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบต่อไปนี้ก็จะขอให้ท่านทั้งหลายจงนั่งเจริญสติไปจนกว่าจะถึงเวลาเลิกกัน เวลา <c oughs> ของการนั่งสมาธิก็หมดลงแล้วก่อนที่เราจะเลิกนั่งสมาธินี้ขอให้เราทบทวนดูการปฏิบัติว่าวันนี้เรานั่งแล้วสงบหรือไม่วิธีที่ทานั่งแล้วมันสงบเป็นอย่างไรให้จําวิธีนั้นไว้แล้วขราวต่อไปเราก็มาทำต่อได้อย่าไปอยากคราวหน้าอย่าไปอยากให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบเพราะความอยาก มันจะสงบเพราะการปฏิบัติของเราการกระทาของเราวันนี้เราทำอย่างไรทำแล้วเกิดความสงบก็ให้จำเอาไว้วเนื้อขาต่อไปเราก็จะได้ทำต่อได้และลำดับต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พรเฮทะวาริวาหาปุราปาริป ah ุเรนติสาคารัง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 มาเตภวะตวันตาลาโยสุขีทีกายุโกภวะอาภิวาธนสีริสะนิจังหุธาปจายโนจตารูธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาง เวลาที่จะถามคำถามวันนี้มันไม่มีแล้วนะต้องขอเลื่อนไปโอกาสหน้าวันนี้เพียงแต่อยากจะทราบว่ามีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะผู้ติดตามจากทาง Facebook 349 YouTube พระอาจารย์สุชาติ360 YouTube ดรวิวิทยุออนไลน์12บคลับเฮ์9ผู้รับฟังนาคุติ425ย รวมทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่ค่ะเวลาสำหรับการฟั้งทำทาบุญทาทานมันหมดลงพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ